m p สามแผ่นที่ยี่สเกเมตตาธรรมนำโลกร่มเย็นกติธรรมแผ่นที่ยี่สบนี้พูดถึงเมตตาความเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เป็นธรรมอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ถ้าว่าพวกเรามีธรรมอยู่ในจิตใจทุกคนโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเราทุกคนขาดเมตตาธรรมมีแต่กิเลสโลภโกรธหลงมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่แข่งดีแข่งเด่นกันหาความเมตตากรุณาต่อกันไม่ได้โลกนี้จะหาความสุขได้ที่ไหนจะหาความ ผาสุขได้อย่างไรพาอโลกทั้งโลกขาดเมตตาธรรมเพราะนั้นเมตตาธรรมคํานี้ในหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งเมตตาคือความอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนกับตัวของเราตัวของเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อันนั้นคือความเมตตาให้บริกรรมหรือให้นึกคิดในใจไว้อยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขขอผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วดไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาถ้าพวกเราคิดไว้อย่างนี้อยู่เสมอไปนสถานที่ใดเวรภัยก็จะไม่มีเพราะเหตุไรเพราะ เรามีเมตตาและสอนให้คนอื่นมีเมตตาด้วยขอให้พวกเรานรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเมตตาธรรมคำนี้เข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นอันตรแรกถ้าว่าใครไม่มีเมตตาธรรมแต่ข้าพเจ้ามีเมตตาธรรมอย่างน้อยก็ข้าพเจ้าก็จะมีความร่มเย็นสำหรับข้าพเจ้าเพราะไม่คิดจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเมตตาธรรมคนอื่นเราก็พยายามสอนบอกกล่าวว่าการมีเมตตาธรรมนั้นจะไม่มีพิษมีภัยไม่มีจองร่างจองผานจองเวียนจองภัยกับใครๆทั้งหมดโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าทุกคนฝึกหัดให้มีเมตตาธรรมโดยอํานาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน